เทวทัตตะวัตถุว่าด้วยเรื่องของพระเทวทัตครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะอนุปยนิคมตามพระอัธยาใัยแล้ว สเสด็จจาริกไปทางกรุงโกสัมพีสเสด็จจาริกไปโดยลําดับจนถึงกรุงโกสัมพีทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามในกรุงโกสัมพีนั้นครั้งนั้นพระเทวทัตหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความคิดคำนึงขึ้นในใจว่าเรา จะพึงยังใครหนอให้เลื่อมใสซึ่งเมื่อเขาเลื่อมใสเราแล้วลาบสักการะเป็นอันมากพึงเกิดขึ้นลำดับนั้นพระเทวทัตได้มีความคิดดังนี้ว่าอาชาติศัตรูกุมารนี้ยังเป็นหนุ่มจะมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปถ้ากระไร เราพึงยังอาชาติศัตรูกุมารนี้ให้เลื่อมใสเมื่อเขาเลื่อมใสแล้วลาบส ก, การะเป็นอันมากจะเกิดขึ้นลำดับนั้นพระเทวทัตเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวรจาริกไปทางกรุงราชครึจนถึงกรุงราชครึโดยลำดับครั้งนั้นพระเทวทัต ได้แปลงเพศเนรมิตรตนเป็นกุมาร น, น้อยเอางูพันเอวปรากฏบนพระเพลาของอาชาติศัตรูกุมารครั้งนั้นอาชาติศัตรูกุมารทรงกลัววาดวันสะดุ้งตกพระไยัยพระเทวทัตจึงได้ถามดังนี้ว่ากุมารท่านกลัวฉันหรือพระกุมารตรัสว่าใช่เรากลัว ท่านเป็นใครพระเทวทัตตอบว่าฉันคือพระเทวทัตพระกุมารตรัสว่าถ้าท่านเป็นพระกุนเจ้าเทวทัตก็กลับเป็นตามเพศเดิมเถิดครั้งนั้นพระเทวทัตเปลี่ยนเพศกุมาร น, น้อยทรงสังคาติบาทและจีวรยืนอยู่ข้างหน้าพระกุมารลำดับนั้น พระกุมาเรเลื่อมใส ย, ยิ่งนักเพราะอิทธิปาฏิหารนี้ได้เสด็จไปที่อุปถากทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าพร้อมด้วยราชรถห้าร้อยคันได้นำพัฒตาหาห้าร้อยสำรับไปด้วยต่อมาพระเทวทัตถูกลาบสักการะและความสรรเสริญครอบงำเกิดความต้องการดังนี้ว่าเรา จะปกครองภิกษุสงฆ์พระเทวทัตจึงเสื่อมจากฤทธิ์พร้อมกับเกิดความคิดเช่นนี้